ราาพระรัตนไตยขอโอกาสหลวงพ่อกลมหลวงพ่อทองสุขพระอาจารย์ทรงศิลนแล้วก็เพื่อนธรรมิกทุกท่านครับจะเดินธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนแล้วนะก็ฟังธรรมนะเป็นส่วนประกอบในการศึกษาปฏิบัติธรรมของเรา การศึกษาปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาเรื่องของชีวิตชีวิตก็คืออะไรชีวิตก็คือร่างกายแล้วก็จิตใจนะศึกษาลงไปที่ร่างกายแล้วก็จิตใจนี้ให้มันเห็นนะเห็นร่างกายตอนแรกมันเป็นร่างกายนะเป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นเท้าเป็นอวัยวะต่างๆให้เห็นที่กทั่งมันกลายเป็นรูป เป็นรูปที่ประกอบด้วยธาตุสขันห้านะเขาใจธาตุทั้ง4หรือเปล่านะดินน้ําลมไฟประกอบกันอย่างไรขันนะขันที่เป็นรูปเป็นอย่างไรขันที่ประกอบด้วยจิตใจที่มันเรียกว่าเป็นนามนะขัน5นะ้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมามาประกอบกันจึงกลายเป็นชีวิตนี้นะ มันกลับมาศึกษาเพื่อเห็นว่ารูปและน้ำเนี่ยมันประกอบมันประกอบกันมาเป็นชีวิตนี้เป็นการประกอบกันชั่วคราวเท่านั้นเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่อะไรนะเครื่องจักรต่างๆมาประกอบกันชั่วคราวเท่านั้นมันก็เกิดเป็นการทำงานได้ของมันนะอย่างปั๊มน้ำที่เราได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะมันก็ประกอบกันด้วย เครื่องจากเครื่องพลต่างๆมาประกอบกันเข้ากับไฟฟ้าจากปัจจัยภายนอกมาประกอบกันกับน้ำาซึ่งต้องสูบเข้ามามันถึงทำงานของมันได้คือมันประกอบด้วยสิ่งต่างต่หลายอย่างมารวมตัวกันนะมันถึงทำงานกันได้ร่างกายแล้วก็จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันนะถ้ามีแต่ร่างกายนะไม่มีน้ำมาทำไม่มีจิตใจมันทางานไม่ได้หรอก เหมือนคนที่ตายนะมันทำงานไม่ได้นะคนที่ตายมันก็ยังมีรูปเหมือนเรานี่แหละนะแต่รูปอาจจะไม่ครบสมบูรณ์ครบถ้วนในการทำงานเท่ากับพวกเรามันก็มีรูปเฉยๆมีแขนมีขามีมือมีเท้านะแต่ก็ทำงานไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะบางทีรูปมันก็พิการของมันไปรูปมันก็ทำงานของมันไม่ได้เองนก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันนะจิตใจที่นะ ันนึกคิดปุงแต่งนะมันเป็นตัวที่เรียกว่าทำให้เกิดความทุกข์บ้างเกิดความสุขบ้างเกิดความสร้างสารรค์บ้างเกิดการทำลายบ้างนะมันก็มนะีดังนั้นรูปนี่มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือรับใช้นะหรือว่าเป็นาธาตุของจิตใจเป็นาธาตุของนามธรรมเป็นหลักดังนั้นการ กับมาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมก็คือการกลับมาเรียนรู้เพื่อขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยแหละจิตใจที่มันยังมีความโลภความโกรธความหลงมีความไม่รู้นะมีความยึดมั่นสําคัญหมายมีความดงผิดอะไรต่างๆมากมายมาฝึกที่จิตใจดวงเนี้ยให้มันเรียกว่าเกิดความรู้เกิดการปล่อยวางเกิดการละความโลภละความโกรธละความหลง ออกจากจิตใจให้ได้นี่คือการปฏิบัติธรรมนะดังนั้นบางทีในขณะที่ปฏิบัติธรรมพวกเราไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องสงสัยมันยังมีความโลภความโกรธความหลงความไม่รู้หรือว่าความเยึดจิตมั่นสําคัญหมายต่างๆมากมายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรนะถ้าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เกิดขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นความหลงต่อ เกิเป็นการยึดมั่นสําคัญหมายต่อเกิดแล้วก็ไปคิดต่อปรุงต่อนะการปฏิบัติธรรมเพียงแค่รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่ามันเกิดขึ้นรู้ทันมันนะรู้ทันมันเมื่อจิตมีสติรู้ทันมันมันก็วางอารมณ์ต่างต่างเหนั้นมันก็จะเห็นนะว่าอาการต่างๆ่นั้นมันไม่ใช่เรานะมันเป็นแค่เป็นตำขานปรุงแต่งมันเป็นแค่มีเหตุมีปัจจัยมากระทบสัมผัสกันนะ มันก็ดับไปได้นะมันก็วางลงไปได้เหมือนกันแล้วก็ฝึกตรงนี้ฝึกให้เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นที่มันแสดงท้านั้นจิตใจน่ะมันแสดงความรู้สึกนึกคิดอย่างไรอารมณ์ไหนมีค่าเท่ากันหมดแน่ๆนะเราไม่ได้ให้ค่าว่าถ้าสุข่มันดีมันบวกมันชอบนะถ้าทุกข์มันไม่ดีมันไม่ชอบมันลบนะอันนั้นเป็นการให้ค่านะเป็นการหลงไปให้ค่า แต่ถ้าจิตใจที่มีสติมันจะเห็นทุกอาการนะมันเสมอราบเรียบกัไปหมดไม่ว่าสุขก็ดีไม่ว่าทุกข์ก็ดีนะมันเสมอราบเรียบกันไปหมดมันไม่มีการที่จิตใจอยากจะไปยึดมั่นสำคัญหมายว่าอันนี้นะควรจะยึดไว้นานๆอันนี้ควรจะผักใสททำลายทิ้งมันไปนะถ้ายังมีจิตใจนะั้นก็คอยสังเกตดยว่าอันนั้นแหละคือจิตใจที่เรียกว่าทุกข ทุกข์คือสภาวะที่เราทนอยู่กับอาการนั้นไม่ได้ทุกข์คือสภาวะที่มันดิ้นรนขวนขวายที่จะยึดไว้ที่จะผักใสมันออกไปหรือว่าดิ้นรนสงสัยที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจมากขึ้นอยากรู้ให้มันชัดอยากเห็นให้มันชั ด, ชดอยากให้อยู่นานๆเ น, น, นี่ยมันเป็นเรื่องของความวทุกข์เท่านั้นนะทุกข์ไม่ใช่ว่าต้องปวดหัวร้องไห้ ต้งนอนไม่ดับอะไรอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ใช่เนาะทุกข์คือการที่เราจิตใจมันบีบคั้นเนี่ยแหละนะจิตใจมันบีบคั้นจิตใจมันดิ้นรนจิตใจมันกระบวลกระวายจิตใจมันไม่ยอมที่จะอยู่นิ่งดูเฉยมันหลงเข้าไปทําอะไรต่างๆมากมายกับกายกับใจนี้สารพัดเนี่ยคือความทุกข์เราเห็นเรารู้จักทุกข์ไหมที่พระเจ้าท่านบอกให้มาศึกษาทุกข์อริรส สัดสี่ข้อแรกเนี่ยกลับมาศึกษาถึงความทุก ข, กข์ก็คือกลับมาเห็นความดิ้นรนของจิตใจของเรานีา่ยแหละมันดิ้นรนอย่างไรมันกระสับกระส่ายอย่างไรมันแสสายอย่างไรกลับมาให้เห็นมัน<ๆ>ถ้าเราเห็นความดิ้นรนของจิตใจนะจิตใจมันจะหยุดความดิ้นร น, นทันทีททททนะมันจะกลับมานิ่ ง, <า>งกลับมาปกติกลับมาไม่ปุง่งไม่แต่งทันทีนะมันจะกลับมาไม่กระสับกระส่ายทันทีถ้าเราเห็นเัื่นี้บ่อยๆนะ อริยมรรคหรือว่าอริยสัจ ท, ทั้งสี่มันสมบูรณ์พร้อมกันเห็นทุกดับทุกได้ทันทีเมืนะ่อเห็นว่าจิตใจมันดิ้นรนกระทบกระต่ายจิตใจมันไม่ทุกทันทีนะี่แที่แค่เห็นทุกข์ก็ดับทุกไดนะ้แต่เราต้องมาศึกษาให้เห็นจริงๆริงนะึกษาให้เห็นให้รู้จักจริงจริงมันคิ ด, คดมันเข้าใจมันยังไม่ได้ต้องเห็นว่าโอ้อจิตใจที่มันดิ้นรนมันเป็นแบบนี้นี่เอง เมื่อเราเห็นจิตใจที่มันดิ้นโดนนะอ้อจิตใจมันก็กลับมาเป็นปกติได้ของมันเองเนี่ยเราพยายามค่อยๆศึกษาสภาวะความดิ้นโดนของจิตใจจากเหตุปัจจัยภายนอกมันกระทบกันอย่างไรเช่นตาเห็นรูปนะจิตใจมันเกิดความชอบความไม่ชอบอย่างไรนะมีเวทนานะฮนะนะนะชอบไม่ชอบนะเวทความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เวทนาต่างๆสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณปุ่งต่อไปมากมาย กลับมาค่อยๆศึกษากระบวนการนี่จิตใจมันทำงานอย่างไรเราก็มาเห็นมาดูมาดูมันเรื่อยๆเนี่ยเราค่อยๆมาดูทุกข์นะแต่ถ้าดูทุกข์จริงๆนะทุกข์มันตั้งอยู่ไม่ได้จริงๆนะมันตั้งอยู่ในอาการของมันเองก็ยังไม่ได้แม้แต่อาการดิ้นรนกระสับกระส่ายของมันมันก็ยังอยู่ของมันเองไม่ได้สักพักเดี๋ยวมันก็หายไปดับไปทุกข์ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเนี่ยทุกข์แค่ดูแค่รูมันเฉยๆนะ มันก็ดับไปให้เห็นต่อหน้าต่ตาจะเป็นทุก์อะไรก็แล้วแต่แต่ทุกข์ทางกายอาจจะดับได้ยากนะเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยภายนอกมากมายนแต่ทุกข์ทางใจนี่มันแสดงความไม่เที่ยงได้ชัดเจนมากๆมันโดนมันทนอยู่แต่ภ า, าวะเดินไม่ได้นานับไม่นานนะแม้แต่บางทีที่เรารู้สึกว่าเราคิดนานคิดหลายเรื่องคิดปรุงแต่งมากมายที่จริงความคิดบางอย่างมันดับไปแล้วนะ อาการของทุกข์ของจิตมันดับไปแล้วแต่เพียงว่าเราหลงไปปรุงต่อไปสร้างเหตุต่อไปเติมไฟต่อนะเหมือนกับกองไฟที่มีฟืนหรือถ่านก็ดีเนาะฟืนรือถ่านก้อนนั้นนะมันหมดเชื้อไปแล้วแต่เราเติมไฟไปเรื่อยเติมฟืนเติมถ่านเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่เรื่อยๆก้อนแล้วก้อนเล่าคิดแล้วคิดเล่าไม่แล้วไม่เล่า จิตใจเราก็เป็นแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นอาการเดียวกันนะแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสันตติต่อเนื่องกันไปความทุกข์ภายในจิตใจความปรุงแต่งภายในจิตใจมันสันตติมันต่อเนื่องเพราะว่าเราไม่รู้เพราะว่าเราหลงผิดนะเพราะว่าเราไปสร้างเหตุให้มันไปคิดต่อให้มันปุงต่อให้มันทุกต่อท่านั้นแต่การปฏิบัติธรรมก็เพียงแค่รู้ว่าอ้อ อันนี้มันคิดไปอันนี้มันปรุงไปอันนี้มันทุกข์แล้วดับเหตุทันทีไม่คิดต่อไม่ปรุงต่อวางทันทีมันก็ไม่ได้เป็นการเติมเชื้อไฟเข้าไปเนาะไม่เติมทานไม่เติมฟืนเข้าไปไอ้ที่มันไหม้ไปแล้วมันก็ดับไปของมันเองก็พอแค่นั้นก็ไม่มีไฟไฟในการร้อนโดนภายในจิตใจมันก็หมดไปทันทีเนี่ยการรู้ทุกข์มันจะเห็นได้ว่าอ้อ สาเหตุที่มันทําให้เราเกิดทุกข์เนี่ยไม่ใช่คนอื่นเลยนะมันเป็นที่ตัวเรานี่แหละนะตามอาจจะเห็นรูปรูปมันก็อย่างนั้นแหละแต่ความสําคัญผิดในใจในจิตเราเนั่ยแหละมันทําให้เราเกิดเป็นความรักความชังความชอบความไม่ชอบไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ว่ารูปนี้มันสวยไม่ใช่รูปนี้ไม่สวยไม่ใช่ว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเราเนั่ยแหละที่ไปปรุงต่อเท่านั้นนอคนนี้เขาก็เป็นของเขาแบบนั้น สิ่งนั้นเขาก็เป็นของข้าแบบนั้นก็่มีแต่เราเนี่แหละไปํำคันผิดไปยึดมั่นถ่อมคันหมายทางบวกทางลบก็ดีเนี่ยมันจะกลับมาเห็นว่าความทุกข์ในใจมันไม่ใช่อยู่ที่เสียงนินทาภายนอกไม่ใช่อยู่ที่ใครอยู่ที่ตัวของตัวเองเท่านั้นพรานั้นบัณฑิตที่แท้จริงนะจะกลับมาแก้ที่จิตใจของตัวเองเป็นหลักเสียงต่างๆภายนอกก็เป็นเพียงแค่เสียงเรารับฟังเราเรียนรู้ได้นะแต่ เหตุความั้อง TS จริงมันอยู่ที่ใจ ja ของเรานมันจะกลับมาเห็นกลับมาแก้ที่ใจที่ตัวของตัวเองเป็นหนักเลยมันเห็นความหลงผิดในจิตใจของเราความหงผิดที่เรียกว่าอวิชานี่แหละนะความดงผิดทำให้เกิดเป็นความอยากตัณหาความอยากความไม่อยากอยากมีอยากเป็นอยากเอาอยากเตบอยากสัมผัสอะไรต่างๆไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอาต่างๆความอยากนี่แหละนะ อยากบรรุธรรมก็เป็นเครื่องขวางกั้นจิตเหมือนกันนะแต่เราการมีเป้าหมายกับความอยากมันต่างกันไม่ใช่ว่าเราไม่มีเป้าหมายเราบวชมาแล้วเพื่อประพฤติพรหมพจรรย์เพื่อให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นี่เป็นเป้าหมายของชีวิตนะแต่เราไม่ใช่เอาเป้าหมายของชีวิตเพื่อนะทำให้เกิดเป็นความทุกข์ความร้อนต้องเอาเป้าหมายของชีวิตให้เป็นเครื่องกาหนดทิศทาง ไม่ใช่เป็นเครื่องที่ทําให้เราเกิดความร้อนดลภายในจิตใจนะมันต่างกันนะการมีเป้าหมายที่จะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เราถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงกับการที่วันๆหรือว่าแต่ละนาทีแต่ละวินาทีคิดไปว่าอยากจะเอาอยากจะได้อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอยากจะมีมันต่างกันแม้สิ่งที่เราอยากจะได้มันเป็นทางที่ดีก็ตามมันทําให้เราเกิดเป็นความทุกข์ร้อนภายในจิตใจ เรค่อยๆกลับมาเห็นมาศึกษาตรงเนี้นะค่อยๆดูไปอ๋อความอยากในจิตของเรานี่แหละที่ทําให้เราทุกข์นะเห็นเลยแม้อยากบรรลุธรรมอยากอะไรต่างๆมันทําให้เราทุกข์นะอยากเป็นคนดีนะคนอื่นดิน่าคนอื่นไม่เห็นดีก็ทุกข์นะอยากรู้จักธรรมะนะอยากให้จิตมันสงบพอจิตมันไม่สงบ เพราะจิตมันกระสับกระสายก็ไปไม่พอใจนะอ๋อเนี่ยหลงไปแล้วรู้ทันรู้ทันจิตใจของตัวเองให้มันเร็วๆจิตใจก็จะกลับมาเป็นปกตินะเมื่อจิตใจกลับมาเป็นปกติมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละนะเพราะเรายังมีอวิชชาความไม่รู้ต่างๆอีกมากมายจิตมันกลับมาเป็นปกติได้แป๊บเดียวนะเราไม่สามารถประครองจิตให้เป็นปกติได้นานหรอกนะ เพราะจิตมันมีสังขารการปรุงแต่งมีการไม่รู้มีการกระทบอารมณ์ต่างๆมากมายเมื่อจิตมันไม่สามารถประคองได้จิตมันก็เกิดเป็นความหลงข้างใหม่นะเมื่อเกิดความหลงข้างใหม่เราก็สร้างความรู้ข้างใหม่ขึ้นมาแทนที่ <ๆ S 1> ก็แค่นั้นไม่ต้องกังวลใจถ้าจะเกิดความหลงครั้งต่อไปหรือเกิดความหลงต่อไปเรื่อยๆมากมายมันเป็นธรรมชาติของความไม่รู้เป็นธรรมชาติของมันอยู่นะเราก็มีหน้าที่เพียงแค่อ้อ ดูทันมันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็วางมันไปเรื่อยๆนะเหมือนบางทีหน้าฝนนะในวัดป่าสุกโตของเราเนาะฝนมันก็ตกยุงมันก็ชุมนะยุงมันมาชุนมามาเกาะมากัดเราถ้าเราอยู่ในป่าไม่อยู่ในห้องที่มีมุงรูดยุงมันก็มากัดเป็นธรรมดามาตอมเป็นธรรมดาหน้าที่ของเราอะไรต้องไปทําคาญยุงเหรอไม่ต้องนะ ยมมากัดมาตอมก็แค่ปัดก็แค่ไล่ไปทีละตัวสองตัวทีละครั้งสองครั้งก็ทำแบบนั้นไปเรื่อยๆจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจที่มีส ain, ังขารมันมาตอมมันมากัดมันมาทำร้ายจิตใจของเราก็ค่อยๆปัดค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆแก้ค่อยๆไขไปเรื่อยๆทีละครั้งทีละครั้งทีละขณะทีละขณะนี่เราทำแบบนี้ไม่ต้องไปเลือกว่าจะเอาตัวไหนก่อน ตัวไหนมันเกิดขึ้นก่อนดูตัวนั้นแหละละตัวนั้นแหละดับตัวนั้นแหละนะไม่ใช่ว่าเจอความละความโนบความโก้แล้วก็ได้ความหลงอะไรไปเรื่อยๆตักลากีเดเป็นขั้นเป็นขั้นอะไรต่างๆมันก็อาจจะใช่นะแต่ที่จริงเราทําได้จริงตอนปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ละตัวนั้นทันทีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ละตัวนั้นทันทีไม่ต้องไปคิดว่าตัวนี้มันเป็นอะไรละเอียดหยากหรือปันกลางอะไร รู้ทันมันลงไปเลยนะแล้วก็ละมันลงไปทันทีละได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่่งหัวมันทาเท่าที่มันทําได้แต่เราค่อยๆเรียกว่าสะสมสติเพื่อให้มันเกิดปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้ น, น, นกิเลสนะมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งเป็นเรื่องของความหลงเป็นเรื่องของความไม่รู้ที่มันมีอยู่มากมายสรารพัดแต่สิ่งที่เราควรทาคือการสะสมความรู้เพื่อให้เกิดนะ ปัญญาที่แท้จริงนะความรู้หรือปัญญาที่แท้จริงมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติเรามีความเพียรเรามีศรัทธาเรามีความเรียกว่าความตั้งมั่นของจิตนะจนกทั้งจิตมันเกิดปัญญาได้ก็เรียกว่าอินทรีห้าพระหจะโพชฌงเจตจะอะไรก็แล้วแต่อริยมรรคมีอมแปดจะอะไรก็แล้วแต่ที่จริงมันก็แยกเพียงแค่อาการของมั น, มนเฉยๆเท่านั้น แต่จริงอะไรก็ได้นะบางทีก็ไม่ต้องไปรู้ชื่อมันก็ได้นะชื่อภาษาบาลีชื่อแปลเป็นภาษาไทยรู้ไปก็หนักหัวแต่ถ้ารู้ไปแล้วก็ดีเหมือนกันนะไม่ผิดเหมือนกันแต่จริงพออาการต่างเกิดขึ้นนะบางทีทไอ้กับ อ, อาการของจิตที่มันอยากจะไปรู้จักชื่อรู้จักว่าอาการนี้มันเรียกอะไรมันเป็นแบบไหนมันตรงกับที่ครูบาอาจารย์ว่ายอย่างไรที่จริงดังนั้นนะ มันก็เป็นตัวดอกอย่างหนึ่งของกิเลสเหมือนกันนะด <นะ S 1> อกให้เราสงสัยดอกให้เราอยากรู้ดอกให้เราไปคิดนะดอกให้เราไปเทียบเคียงมันก็เป็นความหลอกของมันอย่างหนึ่งเหมือนกันนะถ้ารู้ทันถ้าดูมันจริงจริงโอ้ย <ate> มันก็ดอกเก่งเหมือนกันนะหลอกอยากให้เรารู้ดอกอยากให้เราดีนะ <c oughs> อ้อที่จริงไม่เป็นการบงกต่ที่จริ ง, ร ง, ต, รงตอนที่มันรู้เฉยๆนะมันรู้ไม่มีภาษามันรู้ไม่มีสมมติ มันรู้เป็นเพียงแค่ปรมัดเฉยๆมันไม่มีภาษาที่จะเรียกว่าอะไรนะแต่มาทบทวนที่หลังมันก็รู้ได้นะแต่ตอนที่รู้จริงๆรู้ซื่อมันไม่มีสมมุติเลยเนปะ็นปกติทันทีไม่มีความคิดเพราะภาษาก็ยังใช้ความคิดที่พูดอยู่ก็ยังใช้ความคิดก็ใช้สมมุติมาพูดสู่กันฟังนะแต่ตอนที่เป็นความรู้ตัวจริงๆนะ มันไม่มีความคิดมันอยู่เหนือความคิดเหนือการปรุงแต่งนะสภาวะของจิตที่ปกติ ก, ตก็คือจิตที่ไม่ปรุงแต่งนะแต่ถ้าเราสามารถมีสติมากำกับนะกำกับการปรุงแต่งของจิ ต, จตให้เป็นเป็นทางที่ถูกทิศถูกธรรมมันก็สามารถทำได้ดังนั้ น, น, นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การที่เราจะไม่คิ ด, คดไม่ปรุงไม่แต่งนะนะไม่ใช่นะ เราสามารถคิดปรุงแต่งได้แต่ต้องอาศัยสตินะมากำกับนะเพราะไม่งั้นความคิดปรุงแต่งมันจะเลิรดไปทางที่เรียกว่าเป็นความทุกข์นะหรือว่าเติรดไปทางที่เรียกว่าเป็นการยึดมั่นสําคัญหมายอะไรต่างๆมากมายคิดแล้วทำให้สุขคิดแล้วทำให้ทุกข์คิดแล้วทำให้อยากคิดแล้วทำให้หลงเพราะว่าไม่มีสติมากำกับนะแต่ถ้าผู้ที่มีสติกำกับความคิดจะโดน สติํากัดมันจะคิดอย่างไรก็ถูกทางคิดอย่างที่เรียกว่าตัมมากัรมันตะถูกปาจำที่ไม่ได้นะความคิดชอบนะมันก็คิดในทางที่คิดในการที่เรียกว่าออกจากความทุกข์คิดในการประพฤติพรหมจรรย์คิดในการไม่เบียดเบียนคิดในการไม่ทําร้ายมันก็จะมีแต่ความคิดแบบนั้นคิดไม่เบียดเบียนคิดไม่ทําร้ายมันก็มีจิตเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขา ช่วยเหลือกันวองกันต่างๆเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนนะเป็นพ่อเป็นแม่โอ้มีแต่เพื่อนมีแต่มิตรสัพพษษัสทั้งหลายก็เหมือนกันมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์ไม่มีหรอกคิดไปคิดเบียดเบียนกันคิดโกรธกันคิดพยาบาทกันไม่มีนะมันมีแต่ตอนที่มันดลงไปเท่านั้นเนี่ยนั้นความคิดเรามันก็จะกลับมาถูกทันทีไอพยาบาทเบียดเบียนเน่ยมัน มันลดน้อยลงไปอย่างทั้งมันหายไปทันทีไม่มีแต่จิตใจที่เมตตาเข้ามาแทนที่มีแต่จิตใจที่กรุณาอยากจะมาช่วยเหลือกันเข้ามาแทนที่เนี่ยจิตใจมันกลับมาดีของมันเองเพราะว่าเรารู้ทันความคิดนะความคิดตนสติมันกํากับมันก็กำกับในทางที่ถูกทางมันจะไม่หลงออกไปอยจะไปเสพกามหรอกนะนอกจากมันคิดของมันเผลอของมันเองแต่พอมีสติรู้ทันมันก็กํากับความคิด อในการที่จะออกจากกามออกจากการภาบาตรออกจากการที่เบียดเบียนอันเนี้ยความคิดมันก็ถูกของมันเพราะว่าสติมันมากำกับคิดในทางที่ถูกทำนะคิดในทางที่ถูกทางอันเนี้ยเป็นเรื่องของการฝึกหัดที่เราสามารถทำกันได้นะจริงๆเลยนะการฝึกหัดที่จะทำตรงนี้ได้นะโอ้มันก็หลายๆอย่างนะอย่าไปจนอย่าไปเรียกว่าอย่าจนแล้วก็อย่าประมาทนะ อย่าประมาทบางทีเนื่องในเล็ก น, น้อยเพื่อเราประมาทมันก็มีดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่นข้อวัดปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องวินยัยเรื่องความเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยเรามีกิจวัตรเรามีข้อวัดเรามีระเบียบเรามีแบบแผนต่างๆที่มันดีอยู่แล้วเนะี่ยเราทําตามให้มันดีๆนะเพราะว่าถึางต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดเป็นความภูมิใจในการกระทําของตัวเองนะ ภูมิใจว่าเราส่วนนวลทำบัดเช้าเย็นไม่ขาดถ้าไม่มีเหตุจำเป็นภูมิใจในการที่เรารักษาศินศินห้าสินแปดสินสิบสิสยยี่สิบข้อได้ถูกต้องตามที่พุทธบัญญัติอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามรูปแบบแต่ถ้าเรารักษาศินเพราะว่าเห็นว่าศินน่ะคือเครื่องที่ทําให้กายวาจาใจมันเป็นปกติศินก็คือสิ่งที่ทําให้เราเกิด ความภูมิใจความเคารพตัวเองได้อ้อที่จริงศีลที่แท้จริงนะเราเคารพตัวเองได้เนี่ยคือศีล น, นะมันเคารพมันกราบไหว้มันเรียกว่าศรัทธาตัวเองได้มันไม่เกิดความตําหนิภายในใจตัวเองว่าอืมเราทําผิดเราทาําลาดเราด่ามพ้อยนะนีะ่นคือศีลมันบกคล่องคือตรงนั้นแม้คนอื่นไม่เห็นแม้คนอื่นไม่ปรับอบัปบาทแต่จิตใจเราด่ามพ้อยจิตใจเราเ้าหมองนั่นแหละ คือการผิดศีลแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเคารพตัวเองได้อ้เอเขาเราก็ตัวเองได้ไหว้ตัวเองได้ตัดท่าตัวเองได้นั่นเรามีศีลมีศีลที่ไม่ด่างพ้อยแล้วมีศีลคือจิตใจเป็นปกติแล้วอันนี้แหละจิตใจเป็นปกติไม่เดือดร้อนเพราะการกระทําเพราะคําพูดนะของตัวเองเพราะว่าการวางใจของตัวเองไม่เดือดร้อนแล้วนะ่จิตใจเรามีศีลคือตรงนั้น ถึ่นคือความเป็นปกติคือตรงเนี้นะเมื่อมันมีจิตใจที่มันตั้งมั่นจิตใจที่เรียกว่าเคารบตัวเองได้มันก็เกิดความสุขเกิดความสบายใจใจมันก็เป็นสมาธิมันก็ตั้งมั่นนะมันก็ไม่ได้ทุกร้อนกังวลกบายอะไรนะมีสมาธิความตั้งมั่นของจิตจิตใจก็พร้อมที่จะเรียนรู้ธรรมะที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้านะมันไม่กระตับกระสายไปข้างหน้าไปข้างหลังไปอดีตไปอนาคตมันก็ตั้งมั่นที่จะดู ที่จะรู้จะเห็นอารมณ์ในปัจจุบันปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นจะตกก็ตามทุกข์ก็ตามดีก็ตามไม่ดีก็ตามมัน ก, ก็เห็นอย่า ง, างที่มันเป็นไม่กักกัดสายไปกับอารมณ์ด้วยนะอารมณ์เกิดขึ้นก็เป็นเพียงแค่อารมณ์เห็นไหมว่าอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่ง <horizon S 2> จิตใจที่เป็นปกติก็เป็นส่วนหนึ่งกายมันก็อยู่ของมันส่วนหนึ่งเห็นว่าสามอย่างเนี้ยมันเป็นคนละส่วนกันนะจิตจินะที่มัน เรีกว่าปุงแต่งไปหรือเรียกว่าความคิดก็ดีกายก็อยู่ของมันอีกส่วนหนึ่งสติตมันก็ดูของมันของมันอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าโอ้มันเป็นธรรมชาติของเป็นแบบนี้นะตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีมันเป็นแบบนี้ที่จริงมัคนคงเป็นมานานมากแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยแยกมันได้เลยไม่เคยเข้าใจมันเลยพอมาศึกษาก็ค่อยๆรู้ค่อเห็นเข้าใจมันอ้อ เป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยอตัวความรู้เป็นแบบนี้เนาะนปปนบางทีไม่มีภาษามาเรียกหรอกมันก็เห็นไปแบบนั้นแหละพอมาฟังพอมาเรียนบ้างก็ค่อยๆรู้ว<ะ>่ภาษาเป็นแบบนี้ของมั น, มนก็เอามาใช้มาพูดต่อได้อันนี้แหละคือเรื่องที่มันสัมพันธ์กันในการปฏิบัติในการฟังในการเรียกว่าเทียบเคียงในการรู้อะไรต่างๆเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เชื่อทุกคนทําได้เนี่ย พวกนี้มันเริ่มตั้งแต่ถึงได้เล็กน้อยที่เราจะประมาทเนาะอย่าประมาทกันในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะพวกเราได้มีโอากาสบวชเป็นพระบวชเป็นแม่ชีหรือใดคนก็มาอยู่วัดเป็นประจําแล้วให้พยายามรักษาข้อวัดปฏิบัติขัดเกลาตัวเองให้มันสม่ําเสมอถิ่งต่างนี่มันจะช่วยพวกเราได้มากแม้วันนี้มันยังไม่ดีแม้วันนี้มันยังด่างพ้อยแม้วันนี้มันยังเคารพตัวเองไม่ได้แต่เมื่อเราทําถิ่งต่างเหล่านี้ไปไปบ่อยนะ คนอื่นเคารบเราแต่เราก็เคารพตัวเองได้มากขึ้นหรือบางทีคนอื่นไม่เคารพเราแต่เราสำนวจตัวเองแล้วเออเราไม่ด่างพ้อยเราบริสุทธิ์เราก็สามารถเคารพตัวเองได้เช่นเดียวกันนะมันก็เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาจิตเป็นปกติขึ้นมาเนี่ยเรารักษาศีลให้รักษาแบบนี้นะรักษาใจให้เป็นปกติรักษาความเคารพตัวเองให้มันได้แต่บางที ทำผิดทำพลาดไปเผลอไปก็ไม่เป็นไรนะมีสติรู้ทันมันเพราะจริงจริงไอ้ที่ผิดมันก็ผิดไปแล้วนะไอ้ที่เผลอมันก็เผลอไปแล้วแก้ไขไม่ได้เนี่ยนะก็รักษาใหม่ที่ปัจจุบันศีลการรักษาศีลอย่างมีปัญญามันจะรักษาที่ปัจจุบันไม่ใช่ไปตำหนิติดเตียนเป็นทุกข์ร้อนกับความผิดพลาดในอดีตไม่ใช่ไปกังวลว่าออกไปข้างนอกไปเจออารมณ์กระทบไปอยู่ที่นั่นที่นี่ กลัวจะรักษาไม่ได้กลัวจะประคองไม่ได้กลัวจะห้ามใจไม่ได้อันนั้นก็เป็นความกังวลเหมือนกันนะนะสิ่งที่ดีต้องมีสติมากํากับมันรักษาที่ปัจจุบันรักษาตรงที่ปัจจุบันไม่ไปตําหนิติเดเตียนถึงอดีตที่เคยผิดพลาดที่เคยหลงไปไม่ไปกังวลว่าอนาคตจะเจออะไรเมื่อสติมันมากับกํากับจิตตอนนี้นะโอ้จิตมันก็เกิดความห้าวหาญไม่กลัว แต่ก็เรียกว่าไม่ใช่ว่าไปท้าไปอะไรกับเขาก็อยู่ปกติของเราไปตามเหตุตามปัจจัยเจอใครก็ได้ไม่เจอใครก็ได้อยู่วัดนี้ก็ได้อยู่วัดอื่นก็ได้อยู่ประเทศนี้ก็ได้ไปประเทศอื่นก็ได้นะไปอยู่วัดธรรมไหนก็ได้จิตใจมันก็เกิดความเข้าหาแบบนั้นแหละนะแต่เมืองไทยเราดีนะอยู่ในวัดนี่ก็ดีมากเลยนะมันเอื้อมันเรียกว่าเอื้อเฟื้อ ให้เกิดในการรักษาพระวินัยรักษาข้อวัดญาติโยมก็เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติกับพระกับแม่ชีกับการศาสนามันก็ดีกับหลายประเทศนะหลายประเทศบางทีเขาไม่เรียกว่าไม่ค่อยเอื้อกับเราแต่เราก็พยายามรักษาที่ใจของเราไปพยายามหลบเลี่ยงไปบ้างก็มีเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่ใช่ว่าไปกลัวไปทุกข์ร้อนหรอกก็เออรู้ว่าเขาเป็นแบบนั้นเราก็เลี่ยงไปก็เป็นแบบนั้นของเราไป นะ่ะแต่แต่โอกาสพวกเราดีมากที่จะอยู่วัดได้ปฏิบัติธรรมได้มีข้อวัดได้มีครูบาอาจารย์ได้มีพระอาจารย์หลายๆ ร, รูปที่เป็นต้นแบบนะหรือแม่ชีหลายท่านก็ฝึกหัดตัวเองงดงามนะหรือญาติโยมหลายคนก็ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเกิดอ๋อผู้ที่ประพฤติดีผู้ที่ปฏิบัติดีมันเป็นแบบนี้เนาะนะนะอาจจะยังดีไม่ถึงที่สุด แต่ยังน้อยก็ยังดีขึ้นมาแล้วแหละนะบางทีเราจะไปหาคนที่ดีแบบไม่มีทิฏฐินะหาเท่าไหร่ยิ่งทุกข์นะนะมอนอย่างพระจามพุทธทาสนั่นบอกนะ อ, อย่าหาคนมีดีตัวส่วนเดียวนะ่ะอย่าโมดเที่ยวค้นหาแตหายเอ่ยเนะหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยนะฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงถ้าจะหาคนที่ดีอย่างเดียวร้อยเปอร์ซ็นเนี่ยหาเท่าไหร่ในตรงนี้อาจจะหาไม่ได้นะ เพราะว่าเรายังไม่ดีทั้งหมดนะเราก็ไปคอยไปหาดีที่คนอื่นนะก็ทุกนะไปตําหนิครูบาอาจารย์ไปตําหนิเพื่อนไปตําหนิคนนั้นคนนี้ก็มีแต่เห็นที่ที่ตําหนิถ้ามาไปหาแต่เนี้ยนะหาแต่ที่ตําหนินะก็มีที่ตําหนิทุกโลกนั่นแหละไปสานักไหนก็มีที่ตําหนิทุกที่ไปอยู่ที่ไหนก็มีที่ตําหนิทุกที่เพราะอะไรเพราะไม่ันใจตัวเองมังเป็นตำหนิตัวเองเลยนะ ก็ตำหนิตัวเองนะไปหาที่ไหนก็ไม่ได้แต่นั้นถ้าเราฝึกมองให้เห็นแต่ด้านดีมันจะมีความสุขมันจะมีการปล่อยวางออเขาก็ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนะนะแม้จะไม่ดีมีไม่ดีบ้างก็ช่างหัวเขาไปนะเตือนได้ก็เตือนบอกได้ก็บอกเป็นแบบอย่างได้ก็เป็นมาแล้วนะก็ทำแบบแค่นั้นก็พอทำแล้วก็วางแต่เราถ้าเรามองแต่ด้านดีนะมันจะมีความสุขมากถ้าเรามองแต่ด้านไม่ดีนะ มันก็จะไปนินทาไปตำหนิติเตียนกัน้อมันไม่ดีหรอกึ่งทีเราก็ไปคิดภายในใจของเราไม่ชอบไม่อยากให้เป็นแบบนั้นใจเราเน่ะมันจะทุกมันจะร้อนนะมาเห็นนะโอ้ใจที่คิดถึงเข้าในด้านรบนี่ทำให้เราทุกร้อนในใ จ, จ, จิตใจเมื่อไม่เห็นแล้วว่าโอ้เราก่อกองไฟไปใน จ, จ, จิตใจของเรามันก็วาง ม, มันก็ถอนฟืนถอนไฟออกไปจากจิตใจ เห็นนะ้อ๋อความคิดแบบนี้เนาะมันทําให้เกิดเป็นความทุกข์แต่ความคิดที่มองกันอย่างสัรเสริญมองกันในด้านดีเอ้อมันเกิดความสุขเกิดความปล่อยวางได้ก็แบบนั้นนะแต่เมื่อมีเหตมีปัจจัยเราแนะนําตักเตือนกันไปด้วยความเป็นกันยมิตรด้วยความหวังดีต่อกันอ่ะก็สามารถทําได้ไม่ใช่ว่าการปล่อยวางคือการไม่สนใจไม่พูดคุยกันไม่ตักเตือนกันไม่ใช่นะ แต่เมื่อมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็ทําเพื่อเป็นกันิยมิตรเพื่อชี้ทางเพื่อบอกทางกันแต่ขอให้ทํากันด้วยด้วยว่าพื้นฐานด้วยความเจตนาดีด้วยความหวังดีด้วยความเมตตาด้วยความรักต่อกันนะมาชอบมาทีบังทีพระเจ้าท่านบอกว่าเออสาวพิสุทั้งหลายเธออยู่ด้วยอาจจะมาจำศัพท์ไม่ได้โดยชัดเจนนะะสาวพิสุทั้งหลายเธออยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความ เรียว่ามองตากันด้วยความรักหรือเปล่าไม่ใช่ว่ารักด้วยความรักใคร่นะะแต่รักด้วยความไดเโอ้มีจิตใจเมตตาปรารถนาดีต่อกันหรือเปล่าอยู่ด้วยกันนะด้วยความดล้วแบงแล้ววังด้วยความสงสัยด้วยความเกลียดกันหรือเปล่าไม่ใช่นะอยู่กันด้วยความรักความเมตตาต่อกันไหมเป็นกันแลมิตรเป็นเพื่อนกันไหมเป็นพี่เป็นน้องกันหรือเปล่ามองกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือเปล่าไม่ใช่เนาะ เราเป็นมีพ่อองค์เดียวกันมีสัร ม, มารสัมพธธุทธเจ้าเป็นพ่อของเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเป็นคนสั่งสอนเรามีพัฒธรรมเป็นเครื่องเป็นแบบในการดอเลี้ยงชีวิตเรามีข้อวัดปฏิบัติมีวิธีปฏิบัติเป็นเครื่องผูกรัดให้พวกเรามาสัมพันธ์กันเนาะเนี่ยเรามาอยู่สำนักเดียกันอยู่วัดเดียวกันในตอนเนี้ยมีบุญมารมีที่เคยทํากันมานอ้อทำนั้ก็ไม่เคยมาอยู่ด้อมกันดอก มาสนใจวิธีปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเหมือนกันมาเคารพครูบาอาจารย์หลวงพ่อกาเขียนเหมือนกันเนี่ยโอ้เรามีสิ่งที่ผูกพันกันอยู่แล้วนะเราเป็นมิตรกันอยู่แล้วแม้บางทีอาจจะไม่ได้สนิทกันมากแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ให้เห็นถึงสิ่งที่มันผูกรัดสัมพันธ์กันนั่นแหละมันเพราะว่าเรามีบุญกุศลที่ทํากันมานะต่อไปเราก็จะเดินทางด้วยกันนั่แหละทุกคนทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งญาติโยม ท่านอยู่ที่นี่ก็ดีหรื อ, อยังไม่มาก็ดีหรือมาแล้วกลับไปก็ดีถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนเป็นมิตร เ, เพื่อนร่วมทางในการเดินไปสู่มรรคผลนิพพานเหมือนกันทุกคนนั่นแหละนะไม่ได้อิจฉาใครว่าใครรู้ทำก่อนเราใครมีลาภสกสาระมากกว่าเราต้องสกัดต้องขัดขวางต้องไม่ว่าทำร้ายไม่ใช่ามีแต่อนุโมทนาสรรเสริญกันนะ เห็นใครรบเห็นใครพลาดเห็นใครลงทางก็มีแต่เตือนกันชดกันนะหรือว่าประคองกันมาเรื่อยเนะื่เนี่ยไม่มีแต่จิตแบบนีน้เห็นว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทางแต่การที่จะออกจากความทุกข์ไม่มีแต่จิตเชื่อมั่นในจิตใจเลยว่าทุกคนมีความทุกข์ทุกคนไม่ใช่แต่ทุกคนทุกสรรพสัตวอยากจะออกจากความทุกนี้ให้ได้เหมือนกันทุกคนะ แต่เพียงแคว่าบางคนหลงทางไปบ้างบางคนไม่มีผู้รู้มาเตือนก็แค่นั้นแต่ทุกคนอยากจะออกจากความทุกข์อยากที่จะมีความสุขที่แท้จริงด้วยกันทุกคนทุกสับปรดชีวิตทั้งนั้นน่ะแหละนั้นเห็นทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเห็นทุกคนเป็นคนที่เดินทางออกจากความทุกข์เช่นเดียวกับเราเห็นทุกคนไม่มีศักยภาพที่จะออกจากความทุกข์เช่นเดียวกับเราไม่ให้ไปตีนหน้าว่า ไอคนนี้มันโง่ไอคนนี้มันไม่ดีไอคนนี้ไม่มีปัญญาหรอกไม่มีหรอกมันมีแต่ว่าวันนี้เขาอาจจะยังเป็นแบบนี้แต่วันข้างหน้าวันต่อๆไปเขาก็สามารถรู้ได้เหมือนกับเราเนี่ยแหละบางทีเราอาจจะพิษไปพลาดไปอืมล้วก็เอาตัวอย่างคนที่เดินถูกทางอ๋อเขาทําได้เราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเนี่ยมันมีแต่จิตใจเป็นแบบนี้เนาะก็ให้พวกเราได้พยายามฝึกหัดทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็จิตใจให้มัน ถูกทิศถูกทางแบบนี้แหละนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยเข้าใกล้มาผลนผิพพานมากขึ้นที่จริงมันก็ทั้งเข้าใกล้แล้วก็สัมผัสได้ในปัจจุบันด้วยเนาะไม่ใช่แค่เข้าใกล้ลองสังเกตจิตใจตอนนี้เราทุกไหมมีทุกอะไรไหมไม่ทุกเนาะ <c oughs> อ่แต่ถ้าอยากจะฟังเมื่อกี้มันทุกข์นะทำไมหยุดฟู้เนี่ยมันจะทุกข์นะมันดิ้นดนนะแต่ถ้ากลับมาดูใจที่จริงจริงมันก็จะเฉยก็มีนะเจ็เฉยปกติอันเนี้ยมันไม่ทุกข์แล้วมันก็มีอยู่แล้วนะถ้าจิตที่ปกติมันมีอยู่แล้วมันลืมไปมันเผลอไปตอนที่มันไปคิดไปวนไปเวียนไปดิ้นดนนั่นแหละค่อยๆกลับมาดูเนาะดูกายที่เราทํานี่แหละนะ ดูไปให้มันชัดจะนั่งเห็นเป็นรูปดูจิตใจ<ด>จนทั้งเห็นลึกซึ้งถึงจิตใจที่ปกติจิตเดิมแท้จิตประพัดสอนมันเป็นแบบไหนเ้าก็กลับมาเห็นตัวนี้นแหละดูรูปดูนามนนเห็นไปเรื่อ ย, เ, อยเข้าใจไปเรื่อ ย, อยวางไปเรื่อ ย, อยทุกน้อยตรงเรื่อยนจนทั้งไม่ทุกข์กเป็ น, น่ ะ, นะก็ ก็พูดให้ฟังเดี๋ยวก็อาจจะเดี๋ยววันนี้ก็คงไปแล้วลหะค <c oughs> งตั้งใจจะกลับมาเข้าวันศาอยู่เนาะแต่ถ้ามันกลับไม่ได้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> กนุโมทนากับทุกท่านนะที่อยู่รอบเก็บอารมณ์แล้วก็ยังอยู่ถึงตอนนี้หนักก็ขอให้การปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอ